สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่489พระวาระเจ็ประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนพระวาทะที่หนึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมลู ก, กาบทที่23ข้อ24โอ้พระวิดาเจ้าค่ะขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร แท้จริงแล้วคากล่าวสุดท้ายของใครก็ตามก่อนตายจะต้องเป็นคำที่สำคัญมากแต่อย่างไรก็ตามครับไม่มีคำกล่าวใดของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่ใกล้ตายจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนิรันดร์เหมือนกับคำกล่าวของพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วขณะที่พระเยซูกำลังสื้นพระชนม์บนไมงกางเขนเวลาทุกวินาทีที่ผ่านไป ก็จะทําให้เราเห็นถึงความจริงที่พระเยซูทรงเสด็จมาในโลกนี้และคํากล่าวทั้งเจ็ดประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนบนแมเงเขนนี้จะเป็นคํากล่าวที่ตัดสินชะตากรรมชะตาชีวิตของคนบางคนและทุกคนชั่วนิรันกันให้เรามาพิจารณาความจริงเกี่ยวกับความตายของพระเยซูบนแมเงเเขน ความตายนั้นแบ่งเป็นสามประเภทด้วยกันครับและความหมายของความตายก็คือการแยกออกความตายทางด้านกายภาพเป็นการแยกของร่างกายจากจิตวิญญาณร่างกายไปสู่หลุมฝังศพขณะที่จิตวิญญาณไปสู่สวรรค์หรือนรกชั่วนิรันด์ความตายประเภทที่สองคือความตายฝ่ายจิตวิญญาณเป็นการแยกออก แต่ลืมนะครับว่าการแยกนั้นก็คือความตายความตายแปลว่าแยกความตายด้านจิตวิ ญ, ญญาณคือการแยกออกของจิตวิญญาณของมนุษย์ออกจากวิญญาณของพระเจ้าหรือการแยกออกของจิตวิญญาณออกจากพระเจ้านั่นเองทุกคนที่เกิดมามีชีวิตอยู่ฝ่ายกายภาพแต่เพราะการล้มลงในบาปของมนุษย์ชาติจึงเกิดมาก็ตายฝ่ายวิญ ญ, ญาณ แยกออกจากพระเจ้าและเขาจะต้องรับการบังเกิดใหม่จิตวิญญาณของเขาถึงจะติดต่อ connect กับพระเจ้าเ้าเรียกว่าเป็นการกลับใจใหม่เป็นการเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการเกิดใหม่หรือเรียกว่าบังเกิดใหม่ความตายประเภทที่สามก็คือความตายนิรันดร์เป็นความตายที่แยกจากพระเจ้าตลอดไป เป็นการตายที่แยกจยากพระเจ้าตลอดไปการเปลี่ยนความตายฝ่ายวิญญาณสามารถที่จะเปลี่ยนได้โดยการรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพี่น้องครับพระเยซูทรงชื่นประชนในฐานะตัวตายตัวแทนก็คือ Substitute ติ b s t i t ติ e ใครครับซ t i t ติ e เราครับ พระองค์ทรงจ่ายราคาค่าจ้างของความบาปโดยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นการอภัยโทษบาปที่พระเยซูขอขอจากพระบิดาเจ้าว่าโอพระบิดาเจ้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอะไรที่เขาไม่รู้ครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการตรึงไม้กางเขนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เล ร้ายที่สุดที่มวลมนุษยชาติทําปกติแล้วมนุษย์ฆ่ากันเองไม่ว่าจะเป็นการสงครามไม่ว่าจะเป็นการทําระเบิดภัยชีพแต่สิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เลวร้ายที่สุดก็คือมนุษย์ทํากับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อที่จะช่วยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับว่า การสิ้นพระชนของพวมเมาลัยเขนั้นถือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดที่แท้จริงแล้วจะรับการอภัยโทษไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้เป็นสิ่งที่ปีศาไม่รู้เป็นสิ่งที่เฮโรดไม่รู้เป็นสิ่งที่เจ้ายิวธรรมจารย์ผู้นำศาสนาทั้งหลายไม่รู้นั่นเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากครับและความน่าสงสารนี้เองหรือ ทำให้รู้สึกว่าพระคุณของพระเยซูนั้นมีมากมายเหนือคนานับจากคําอธิษฐานของพระเยซูตอนนี้ครับคําอธิษฐานของพระเยซูเพื่อผู้หลงหายคําอธิษฐานของพระเยซูเพื่อผู้กระทําผิดคำอธิษฐานของพระเยซูที่มีต่อคนบาปเป็นการทูลขอให้พระเจ้าอภัยโทษอภัยโทษคนที่ ดูเหมือนว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่แน่นอนครับการตรึงพระเยซูนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ครับพราะเขาทําด้วยความด้วยความตั้งใจแต่ความตั้งใจตรงนั้นนะครับเขาไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นใครสั่งหกักในขณะที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เขเขนพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชน์เนื่องจากผลตามธรรมชาติ แต่พระเยซูสิน้นพระชนเป็นเรื่องราวท so yani. <sm> ี <ten> ่อยู่เหนือเหตุผลเพราะอะครับเพราะว่าพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนเพราะว่าพระองค์เกิดโรคพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนเพราะว่าร่างกายของพระองค์ไปไม่ได้พระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนเพราะว่าเป็นความตายธรรมดาธรรมชาติแต่พระองค์สิ้นพระชนเนื่องจากการที่พระองค์กระทําตามพระประสงค์ของพระองค์ของพระบิดาเจ้าพี่นองครับ เมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์ลูกาเราเห็นว่าเมื่อท่านกล่าวถึงพระเยซูพระเยซูร้องด้วยเสียงดังครับแสดงว่าพระองค์มีความตั้งใจทร ง, ทรงทรงสติสัมปชัญญะพ ร, รงทรงมีฤทธิ์อำนาจที่น้องครับความปรารถนาของโลกที่ไม่สำนึกผิดนั้นทำให้ความเชื่อของเขาไม่มี นะครับทำให้ความเชื่อเขาไม่มีเมื่อเขาไม่มีความเชื่อเขาก็ไม่มีความปรารถนาที่จะสำารึกผิดพี่น้องครับพระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นเพื่อที่ว่าในที่สุดนั้นเขาจะกระายเป็นผู้เชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อคาว่าอภัยโทษบาปเกิดขึ้นมันเป็นการสิ้นประชนของพระเยซูเพื่อให้เกิดความสาเร็จ ตามคำพยายกรของพระกัมภีเดิมพระเยซูทรงถูกทำให้ชีวิตของพระองค์นั้นถ่อมลงพระองค์ทรงเทวิญญาณจิตของท่านจนถึงความมรณาพระองค์ถูกพิจารณาว่าหรือถูกถือว่าเป็นคนบาปทรงถูกนับเข้ากับคนทรยศพระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชาที่เป็นตัวแทนแบกความบาปของเราทั้งหลาย พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อผู้หลงหายทรงทรงทําการอ้อนวอนเพื่อผู้ทรยศท่า น, นครับนี่คือสิ่งที่พระกัมภีรอิสยาบทที่53ข้อ12ได้พยากรณ์ถึงชีวิตของพระเยซูที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการอภัยโทษบาปโดยเหตุการณ์สิ้นพระชนของพระเยซูทําให้เกิดการยกบาปทาให้เกิดการอภัยโทษบาปเกิดขึ้น พะเศษส่วอธิษฐานครับว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมนุษ์นั้นชั่วช้าเร็วซามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบาษาสังเกตเื่อว่า total depravity total depravity d e p r a v i t e depravity ก็คือความชั่วช้าเร็วซามครบถ้วนสมบูรณ์แบบใน กำมลละสันดานของมนุษย์ผู้ที่จัดแยงการตึงกางเขนนะครับพวกเขาไม่รู้ว่าเขาตรึงใครพวกเขาไม่ได้รู้ถึงการทนทุกข์ของพระเยซูและความเจ็บปวดของพระเยซูที่ต้องแบกรับก่อนการสิ้นพระชนนความไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วให้อภัยไม่ได้ครับ แต่พระเยซูกำลังอธิษฐานเพื่อเขาเพื่อให้พระบิดาได้ให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งในการที่เขาจะกลับใจใหม่พี่น้องครับแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นพระบิดาได้ให้อภัยคนเหล่านั้นที่กลับใจใหม่เราจะเห็นตัวอย่างของทหารโรมันที่พูดว่าแท้จริงแล้วผู้นี้คือ พระบุตรของพระเจ้าเราเห็นการ ก, กับใจใหม่บนไม้ เ, เขียนของโจรที่นองครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรักของพระเจ้าเกิดขึ้นกับโจรที่ตอนแรกนั้นเขาไม่รู้จักพระเยซูเกิดขึ้นกับทหารที่ตอนแรกนั้นเขาก็ไม่รู้จักพระเยซูแค่ทําตามคําสั่ง เกิดขึ้นกับพวกเราในทุกวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันที่ไม่รู้จักพระเยซูในตอนแรกในเมื่อเรายอมถ่อมใจเมื่อเราเริ่มมีความเชื่อเราก็เริ่มรู้จักพระเยซูจนกระทั่งถึงจุดที่เราจะเชื่อฟังพระองค์จนกระทั่งถึงจุดที่เราจะกลับใจใหม่อาศัยการสิ้นพระชนของพระเยซูแมงเขนทาให้เราได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือคำอธิษฐานของพระเยซู ประโยคแรกพระบิดาเจ้าค่ะขอโปรดอภัยโทษเขาการอภัยโทษของพระเจ้าแผ่ออกไปครับแม้แต่การยกโทษให้แก่คนเหล่านั้นที่ฆ่าพระบุตรของพระองค์ความรักของพระเจ้าจ่ายราคาค่างวดก็คือหนี้ของความบาปค่าจ้างของความบาปทั้งหมดความเมตตาความรักของพระเจ้าทำให้การยกโทษ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในชีวิตของพวกเราอาเมน